ที่เห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรมปฏิบัติไว้พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปหากศึกษาแบบท่องจำรวดเดียวอาจเห็นว่าข้อธรรมเยอะแยะอย่างนี้ใครจะไปทำไหวแต่ถ้าจำไว้พอรู้เป็นแนวแล้วค่อยๆขยิบเลื่อนขึ้นมาตามลำดับขั้นก็จะพบว่าสติปัฏฐานสี่นั้นง่ายสำหรับผู้มีความเพียรสม่าเสมอเพียงใดและเมื่อปฏิบัติมาถึงจุดนี้ ฉันยิ่งเห็นพระปัญญาอันเกินสามัญมนุษย์ของพระพุทธเจ้าชัดเจนขึ้นพระองค์ท่านอย่างรู้ว่าจะทําให้นักภาวนามือใหม่ที่เพิ่งตั้งไข่ก้าวออกจากจุดเริ่มต้นได้อย่างไรกับทั้งทราบว่าจะทําให้นักภาวนาที่ก้าวหน้าในแต่ละระดับพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นอีกได้อย่างไรนอกจากนั้นยังมีข้อธรรมตีกรอบไว้รัดกุมเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้ผู้ศึกษาหลงทางไปไหน แต่ก่อนฉ่นมีความสงสัยอยู่อย่างหนึ่งคือพระสัสดาท่านตรัสว่าสติปัฏฐานสี่เป็นทางเดียวที่จะทำให้บรรลุมรรคผลอย่างถูกต้องแล้วฉะไหนจึงมีข้อธรรมชื่อต่างการอื่นๆเหมือนซ้ำรอยสติปัฏฐานสี่ได้ยกตัวอย่างเช่นท่านตรัสไว้ในมหาปรินิพานสูตรว่าธรรมวินัยอันมีมรมีองค์8นี้หากภิกษุประพฤติโดยชอบแล้วโลกย่อมไม่ว่างจากพระอระหรันต์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 เพื่อมุ่งสู่ความหลุดพ้นประกอบด้วย 1. สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบตามนิยามดั้งเดิมที่แท้จริงของพระพุทธองค์มุ่งหมายถึงความรู้ในสัจจะที่อริยเจ้าให้ความสนใจสูงสุด4ประการได้แก่ความรู้จักทุกข์ความรู้จักต้นเหตุของทุกข์ความรู้จักลักษณะที่ดับไปแห่งทุกขและความรู้จักวิธีดับทุกข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 การงดเว้นจากการพูดคำหยาบและการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อสี่สัมาะมันตะคือการกระทำชอบหมายถึงการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์การงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้และการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมหาสัมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบและเว้นการเลี้ยงชีพที่ผิด 6. สำมาวายามะ คือความเพียรชอบหมายถึงการทําให้เกิดความยินดีเต็มใจประกอบความเพียรมีอาการประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อมิให้อกุสุลธรรมที่ยังไม่เกิดได้บังเกิดขึ้นเพื่อละอกุสุลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วเพื่อสร้างกุสลธรรมที่ยังไม่เกิดให้บังเกิดขึ้นและเพื่อรักษากุศุลธรรมนั้นไว้ให้ตั้งอยู่ไม่เลือนหายจนยิ่งเจริญงอกงามไพบู์ขึ้นเต็มเปี่ยม 7.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 การทำความรู้จักกับมัคมีองค์8ครั้งนี้ของฉันไม่ใช่เพื่อไว้ประดับความจําหรือเตรียมทําข้อสอบวิชาพุทธศาสนาเหมือนในอดีตแต่เป็นไปเพื่อสํารวจตัวเองว่ายังขาดองค์มัคข้อใดสมควรเสริมความสมบูรณ์ขององค์มัคข้อใดเพื่อความพร้อมเพื่อการเตรียมตัวที่ไม่ขาดตกบกพร่องวันที่1ความจริงที่อริยเจ้าสนใจ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 จิตที่อ่อนน้อมต่อพระองค์ท่านปรุงกายให้คล้อมหลังลงต่ำที่สุดเท่าที่อิริยบทเดินจะเอื้อให้ค้อมได้ด้วยปัญญารู้ความจริงอันเป็นปัจจุบันฉันตรหนักว่าตนเองไม่ได้แสดงอาการเคารพนบน้อมพระอิศรพระปูนหรือองค์ปฏิมาทองเหลืองไร้ชีวิตอย่างงมงายแต่ไหวเพราะสั ญ, ญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าสกิดเตือนจิตฉันให้ประวัติระลึกถึงพระมหากรุณาคุณแห่งองค์ศาสดา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 ก็จัดเป็นกรรมมีความหลากหลายก่อร่างสร้างนิสัยอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติซ้ำๆจนเกิดความเคยชินรากของการไหวมาจากความปรารถนาที่จะแสดงความเคารพ บ, บุคคลอันควรเคารพแต่ไม่ทุกคนที่ปรารถนาจะไหว้และความเคารพก็มีระดับเป็นต่างๆบางคนเคารพน้อยเพราะไม่มีสายใยผูกพันหรือเพราะใจคอกระด้างเย่อหยิ่งจองหอง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 มีความสัมผัสจริงๆแล้วว่าได้ไหว้แล้วเมื่อจิตปรุงกายกายปรุงจิตจนเกิดสภาพอ่อนน้อมยิ่งสว่างสวัยหน้าอุ่นใจในตัวเองยิ่งฉันก็อย่างรู้ว่าสภาพจิตอันปรุงขึ้นด้วยกรรมดีชนิดนี้จะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดผลดีในอนาคตเหตุดีย่อมได้ผลดีเป็นธรรมดาโดยเฉพาะเมื่อดีเต็มดวงหนักแน่นจนถึงระดับอุ่นใจได้เช่นนี้ ผลข้างหน้าย่อมเที่ยงและมั่นคงตามผลคืออะไรผลคือถ้าพลาดจากมรรคผลในชาตินี้อย่างไรฉันก็ต้องได้พบพุทธศาสนาอีกและไม่มีความกระด้างกระเดืองต่อพระพุทธเจ้าหรือพระอริยาสาวกโอกาสที่จะมีเหตุปัใจจัยให้ปรามาสพวกท่านเป็นบาปเป็นกรรมใหญ่หลวงย่อมยากนอกจากนี้จิตอันอ่อนน้อมด้วยอาการไหว่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดย่อมให้ผลเป็นความสว่างเรืองรองมีความสุขความเจริญ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 และตัวการเจริญสติปัฏฐานเองแม้จะเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวทว่าก็เกื้อกูลให้เกิดความโน้มน้อมไปในทางมักน้อยทางกรามไม่หนักแน่นพอจะเบียดเบียนหรือจองเวรใครเพราะฉะนั้นที่จะก่อกรรมทำบาปละเมิดศีลห้าเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดประเวณีโกหกและเสพสุรายาเมาก็เป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งนั่นก็แปลว่า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 ก็ไม่ถึงกับถูกครอบงามให้เกิดอคติย่อมรู้จักบุคคลและยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดได้ตามจริงยิ่งกว่าปุถุชนทั่วไปที่ถูกครอบงามด้วยอคตินานับประการสิ่งหนึ่งที่ฉันเห็นชัดคือคนเราตั้งต้นชีวิตขึ้นมาด้วยความไม่รู้เหมือนๆกันมีสัญชตาตญาณเอาประโยชน์เข้าตัวเหมือนๆกันมีกิเลสคือราคะโทสะโมหะเหมือนๆกัน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 จิตวิญญาณทุกดวงถูกห่อหุ้มไว้ด้วยความไม่รู้ไม่อาจอย่างไปถึงอนาคตไม่อาจเชื่อมโยงถูกว่าเหตุแห่งกรรมอย่างนี้จะทําให้ต้องไปเสวยวิบากกรรมอย่างนั้นทุกคนถูกกักขังไว้กับแรงกระตุ้นกิเลสเฉพาะน้าในวินาทีนี้อยากคิดอะไรก็คิดอยากพูดอะไรก็พูดอยากทําอะไรก็ทานะับเป็นเรื่องน่าสลดสังเวชเลิเกิน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 ความจริงโจ์นี้ไม่ใช่โจทย์ใหม่เสียทีเดียวมีชนกลุ่มน้อยที่ดำรงชีวิตแบบนักปราชญ์หรือฤาษีชีไพราตามป่าลึกได้เคยตั้งโจทย์ทํานองนี้กันไว้แล้วและมีคำตอบที่เข้าเป้าเสีด้วยนั่นคือแค่ปล่อยวางทุกสิ่งให้ได้เท่านั้นแต่คำถามที่ตามคำตอบนั้นมาคือทำอย่างไรจึงจะปล่อยวางได้จริงแม้กระทั่งความรู้สึกในตัวตนตรงนี้มีการคิดค้นวิธีขึ้นสารพัด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 ทั้งที่กล้วอยู่ด้วยกามคุณหทั้งที่สะอาดผ่องใสอยู่ด้วยฌานสมาบัตแ8อีกทั้งยังได้ชื่อว่ารู้จักทุกขเพราะการทรมานตนเองอย่างอุกฤษชนิดไม่มีใครในโลกเทียมเทียบกระทั่งท่านหยุดมองความจริงผ่านความเชื่อแล้วเปลี่ยนมาเป็นเห็นความจริงในปัจจุบันผ่านสติอย่างใหญ่เห็นเหตุปัจจัยของสิ่งต่างๆตามที่เป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นด้วยพระปัญญาอันลึกซึ้งเกินสามัญมนุษย์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 กว่าเมื่อครั้งเพิ่งเริ่มศึกษาศาสนาที่ยังคิดคิดเอาเฉยเฉยหาใช้เรื่องง่ายที่เราจะระงับจิตไม่ให้ทยานไปยึดอายตนะภายนอกที่ปรากฏยั่วราคะโทสะต้องอาศัยความเข้าใจอาศัยความคิดสระและอาศัยความเพียรกำหนดสติเข้ามาในกายใจอย่างต่อเนื่องนานพอแน่นอนถ้าไม่มีผู้นาไม่มีผู้ยืนยันไม่มีผู้ทาให้คนหมู่มากเลื่อมใส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 ท่านทาเรื่องเหลือเชื่อได้สําเร็จจิตของพระองค์ไม่อาจเกิดอาการทยานอยากได้อีกและพระองค์ก็มีสุรเสียงที่ดังพอจะประกาศกล้องไปได้ตลอดโลกกับทั้งกังวานนานมาได้จนถึงบัดนี้สรุปคือนอกจากจะแก่กล้าพอจะประหัดประหารกิเลสด้วยตนเองแล้วองค์ท่านยังมีพระกําลังพอจะตั้งศาสนาชี้นําผู้มีปัญญาให้ฆ่ากิเลสตามได้ด้วย สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์สำเร็จอนุตรระสัมมาสัมโพธิญาณได้เพราะพวกท่านสนพระไทยในสัจจะความจริงเกี่ยวกับเรื่องทุกข์และการดับทุกข์อย่างยิ่งยวดพระสาวกที่เจริญรอยตามบาทพระศาสดาได้ก็เพราะสนใจสัจจะเดียวกันนั้นด้วยจึงกล่าวได้ว่าสัจจะความจริงที่เหล่าอริยเจ้าให้ความสนใจก็คือเรื่องของทุกข์และการดับทุกข์นั่นเอง เพราะเมื่อสนใจแล้วลงมือกระทาการเพื่อความเข้าถึงแล้วย่อมเป็นผู้ละทุกเสียไดอริยสัจมีสีข้อได้แก่ 1. ทุกคืออุปาทานขันหหรือกายใจอันเป็นที่ตั้งของอุปาทานนี้เองเมื่อถึงคราวแก่เจ็บก็ทำให้เราต้องทนทรมานปวดเมื่อยเมื่อแตกตายเป็นเหตุให้พลากจากบุคคลอันเป็นที่รัก ก็ทำให้เราต้องร้องไห้คร่ำครวญทุกโทมนัสสรุปคือกายใจนี้เป็นทุกข์ด้วยสภาพบีบคั้นในตัวเองแถมยังเป็นภาชนะรองรับทุกขเวทนาทั้งปวงที่เกิดขึ้นระหว่างมีชีวิตด้วยสสมุทัยคือความทยานอยากหรือเรียกสั้นๆว่าตัณหาก็ได้ตัณหาแบบอยากเอามาเป็นของตัวเองก็เป็นแบบหนึ่งกระทาจิตให้มีสภาพดูดเข้ามา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 คือตัวฟ้องว่าเราไม่ได้เห็นซึ้งเรื่องอุปาทานขันห้าเป็นทุกข์จริงๆเท่าที่เจริญสติปัฏฐานมาเกือบครึ่งปีฉันเห็นความจริงข้อแรกบ้าง ว, วูบวูบวาบบางครั้งขณะที่จิตเห็นกายคือลมหายใจให้กับอากาศว่างภายนอกแล้วมีความเรียกร้องจะเอาลมอีกฉันเห็นความทุกข์ของกายในรูปความทนไม่ได้ความเป็นของแตกดับง่ายถ้าไร้เครื่องช่วยประทังชีพ หรือเมื่อเวลาป่วยไข้แล้วกายพยศแบบชัดๆอันนั้นก็เห็นสภาวะทุกข์ของอุปาทานขันห้าได้ถนัดใจดีเหมือนกันแต่นอกเหนือจากนั้นเล่ามีหลักฐานใดบ้างไหมที่ฉันยังสรรเสริญการมีอยู่ของอุปาทานขันห้าเมื่อสำรวจจริงๆจังๆฉันพบว่าขณะที่สติหายไปนอกขอบเขตกายใจจิตยังมีความอลาลัยอาวรกลัวความไม่มีตัวตน กลัวไม่ได้ช่วยเหลือครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักกลัวไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นอะไรเหมือนอย่างนี้อีกแค่นี้ก็ชี้ชัดแล้วว่าฉันเห็นอริยสัจข้อแรกด้วยความคิดแต่อริยสัจข้อแรกยังไม่ปรากฏต่อจิตอย่างแจ่มชัดสักเท่าใดเลยทว่าการสำรวจลงไปถึงระดับจิตนั่นเองก็ทำให้ฉันเห็นเครื่องผูกให้ติดใจอุปาทานขันห้าชัดเจนขึ้น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 หรือบุคคลอันเป็นของภายนอกเพราะจิตที่เจริญสติปัฏฐานมาดีย่อมเบาเป็นปกติเมื่อบังเกิดความอยากหนักๆต้องรู้สึกแตกต่างผิดปกติเป็นธรรมดาแต่เมื่อตัณหามาในรูปของความอ้อยอิงเช่นจมอยู่ในหนองน้ำแห่งความอลาลัยอาวร์อย่างนั้นจะเห็นยากเพราะไม่ค่อยเต็มใจจะเห็นจิตต้องมีราวเกาะอย่างลมหายใจหรืออิริยบทที่คงเส้นคงวามากๆ เห็นสุขเวทนาและทุกขเวทนามาหลายร้อยหลายพันรูปแบบจนชินชานั่นแหละจึงค่อยเห็นอาการอ้อยอิงอะไรอววรชัดขึ้นปีที่แล้วฉันยังเป็นนักสะสมตัวยงฉันชอบหนังสือและซีดีเพลงการสะสมสิ่งเหล่านี้ทำให้รู้จักจำแนกสมบัติเป็นหมวดหมู่ฉันเป็นสุขที่ได้รู้สึกว่ามีและเคยเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับเกอเทสนักเขียนนามอุโคด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 ที่เขาจะนำไปแจกใจ่ายให้ผู้ได้โอกาสทั้งหลายนอกจากนั้นยังมาเมียงมองซีดีเพลงอิมพอตกองภูเขาที่เคยรักเป็นนักหนาแต่ปัจจุบันมีอารมณ์แบบ3าวันฟังหนึ่งเพลงต้องใช้เวลาเกินปีกว่าจะฟังครบแล้ววนกลับมาฟังซ้ำเลยตัดสินใจเอาไปขายตามย่านชุมนุมนักฟังในราคาถูกลง 3-4 สเท่าตัวด้วยฉันเห็นความเสียดายปรากฏตัวขึ้นกลางจิตอย่างเด่นชัด มันทำให้ซึมเศร้าเล็กๆทอดตาเมื่อหน่อยๆแต่ก็หายขาดเป็นปริดทิ้งเมื่อฉันนำเงินทั้งหมดไปซื้อสังฆทานถวายพระเก้ารูปที่วัดแห่งหนึ่งแถบชานเมืองความอ้อยอิงแปลเป็นความว่างโล่งเบิกบานฉันอธิษฐานขอให้บุญและความสุขอย่างใหญ่นี้จงเกื้อนหนุนให้จิตปล่อยวางอุปาทานความยึดมั่นในขันห้าได้ง่ายยิ่งยิ่งขึ้น ความดับของอาการทุรนอยากและอ้อยอิงอาวร์เป็นเช่นนี้เองแม้ยังไม่ถึงนิพพานก็พออนุมาณได้จากจิตที่สดใสสว่างโพลนเต็มดวงราวกับเข้าสมาธิชั้นดีฉันยิ้มอย่างคนที่รู้จักอิสรภาพเชื่อว่าคนไม่รู้จักอิสรภาพทางใจไม่มีสิทธิ์ยิ้มได้อย่างนี้เป็นยิ้มที่ไม่แลกอะไรนอกจากใจอันปลอดโปร่งจากความอ้อยอิงอาวร์ อะไรอีกที่ยังเสียดายและอะไรรักเป็นนักหนาฉันคิดขณะเดินตามทางอันขนาบด้วยแนวไม้ใหญ่ครึม้มฉันยังใช้ชีวิตคราวว่าตามปกติยังไม่คิดบวชอะไรแม้สนใจพุทธเชิงปฏิบัติมานานนี่เรียกว่าความหวงได้หรือเปล่าฉันหยุดยืนมองกุฏิพระแง้มมองใบไม้เขียวต้องลมกรูเดียวจิตใจเยือกเย็นไม่คิดเอาอะไร โลกนี้มีที่เดียวไม่น่าอยู่คือใจอันเป็นที่ตั้งของทุกขนอกนั้นจะระเหยเร่ร่อนไปไหนๆก็ตามทุกแห่งคือสถานที่อันน่ารื่นรมได้ทั้งหมดเข้าใจอารมณ์ของผู้สแสวงหาความหลุดพ้นที่ทิ้งได้หมดทุกอย่างเหลือแต่ตัวเปล่าๆกับผ้าห่อพันร่างกันอุจจารเพียงผืนเดียวสมองของฉันเริ่มคิดอะไรเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นการปลงผมขอบวชนั้นง่าย แต่การมีใจถือบวชนี่สิยากฉันจะลองสำรวจตัวเองว่าใจเป็นพระแน่หรือยังเมื่อแน่ใจว่าใช่พระแล้วก็น่าบวชเพื่อรบกับกิเลสเต็มอัตราศึกสักทีจะชั่วคราวหรือชั่วชีวิตก็สุดแท้แต่วาสนาแล้วกันวันที่สองถึงห้าสัมมาทิฏฐิจากประสบการณ์ในวันแรกของเดือนทำให้ฉันหมั่นสารวจตนเองบ่อยขึ้นว่ามีสัมมาทิฏฐิ หรือความเห็นชอบเห็นตรงอยู่ในระดับใดในระดับความคิดนั้นฉันให้คะแนนตัวเองเต็มร้อยไม่มีความลังเลสงสัยใดใดอีกฉันเห็นการเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อุปาทานขันห้าเป็นทุกข์และถ้าให้ท่องอริยสัจ4ี่ปากเปล่าก็ทำได้สบายมากผู้ใดรู้จักอริยสัจ4ด้วยการพิจารณาเห็นตามจริงผ่านอาการคิดและอาการจดจา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 แต่ขอแค่ทําความเข้าใจและลงมือเริ่มเดินก้าวแรกเพียงแค่รู้ว่าหายใจออกหรือหายใจเข้าเท่านั้นแหละก้าวต่อๆไปจะตามมาเองเราจะรู้ว่ากิจที่ต้องทําเพื่อความพ้นทุกข์นั้นไม่ยากนักแต่ก็ไม่ใช่ทําอะไร ง, ง่ายๆอย่างเดียวแล้วได้กันเหมือนการร่ําเรียนทางโลกใครจะเป็นด็อกเตอร์ทางคณิตศาสตร์ได้จากการท่องสูตรคูณโดยไม่ต้องศึกษาและลงมือวิเคราะห์วิจัยอะไรต่อให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นได้เล่า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 วันที่6ถึงส0สัมมาสังกับปะฉันเคยได้ยินว่าผู้ชายจะคิดอยากมีเพศสัมพันธ์ไปทั้งชีวิตโลกเราเคยมีข่าวฮือฮาที่ชายชราอายุร่วมร้อยปีมีเมียสาวกันมาแล้วไม่นับผู้เท่าจำนวนมากที่ตายคา อ, อกเพราะใช้ไว้อกร้ากันพร่ำเพรือ่อและเฉพาะหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยสรุปได้ว่าผู้ชายไว้ใจไม่ได้สักวัยตั้งแต่ 12- ถึงเจ็สิบ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 ก่อนที่ราคะรั่วรถถึงจิตแล้วไปก่อปฏิกริยาทางกายแต่ช่วงเย็นบางทีเหนื่อยๆจากงานแล้วไม่ค่อยมีแก่ใจกำหนดสติพอเห็นอะไรงามๆแล้วยังเกิดอาการจ้องตาค้างได้อยู่เหมือนผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งสรุปคือการอยู่ในเมืองทำให้คนเราวนเวียนตรึกนึกไปทางการตลอดเวลาบางช่วงฉันฝึกอินเียสังวรมองเห็นอะไรด้วยความสารวมได้บ้างแต่ก็จะมีช่วงที่หลุด ยอมตามกิเลสไปหลายหนเพราะบอกตัวเองว่าไม่ใช่พระจะให้เป็นพระอิ์พระปูลกลางเมืองนั้นคงยากถ้าพูดว่าการเป็นต้นเหตุอุปาทานมือวางอันดับหนึ่งทำให้ยึดว่ากายใจนี้ของเราทำให้เห็นไปว่ากายใจนี้ดีทำให้อยากขอความเป็นหนุ่มเป็นสาวชั่วนิรันด์เพื่อเสพกามก็คงไม่ใช่การกล่าวเกินจริงหากไม่มีใจคิดปลีกวิเวก ไม่มีช่วงของจิตที่สงัดจากกามเอาเลยจะหวังหลุดพ้นอย่างไรไหวฉันเคยอ่านข่าวหนึ่งที่มีคนแก่อายุเกินร้อยเผยเคล็ดลับว่าอยู่โยงคงกระพันมาได้ป่านนั้นเพราะไม่เสพกามเลยตั้งแต่หนุ่มๆคนไปสัมภาษณ์ถึงกับพึมพำรรว่าถ้าอย่างนั้นจะอายุยืนไปทําบ้าอะไรนี่คือความจริงส่วนหนึ่งที่มนุษย์ทั้งหลายอยากอยู่ดูโลกนานๆ ไม่อยากให้มัจจุราชมาค่าชีวิตไปซะก่อนก็เพื่อจะได้ประกอบการกิจอันน่าติดใจนั่นเองยังเคยมีหนังมีละครเยอะแยะให้ตัวแสดงพูดว่าฉันยังไม่อยากตายฉันยังไม่มีเมียเลยถ้ามุกตลกร้ายทำนองนี้ทำให้คนดูไม่รู้สึกขัดแยง้งพลอยมีอารมณ์ร่วมว่าเสียดายที่ยังไม่มีเมียต้องด่วนตายซะก่อนก็แปลว่ามนุษย์จานวนมากอยู่หรือตายด้วยใจบูชาการมเป็นสาระ พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในอังคุตระนิกายเอกะทุกกะติกะนิบาตว่าที่เราติดใจตรึกนึกถึงกามก็ด้วยอาการใส่ใจมองกายโดยความเป็นของสวยของงามถ้าหากเรามองเสียตามจริงว่ากายเป็นของสกปรกใส่ใจโดยแยบคายว่าตั้งแต่ศีสะจะรถเท้าไม่มีส่วนใดสะอาดเลยอย่างนี้ก็จะเป็นการแก้ลำกลกามเสียได้ ชันลองทำตามที่ยุคปัจจุบันทำกันคือหาภาพศพหน้าสะอิศเอียนมาดูอเผอิญฉันเป็นคนไม่มีจินตนาการแรงเห็นตับไตไส้พุงแดงเถือกแล้วไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมเห็นตามจริงว่านั่นภาพเลือดภาพเนื้อเลเทะของคนอื่นเป็นความสกรปรกของคนอื่นไม่เกี่ยวกับฉันที่ยังเนื้อตัวสะอาดสะอ้านนั่งดูรูปศพอยู่ด้วยความเฉยเมย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 แต่นึกไปนึกมาพอทัวรลำดับมหาสติปัฐานสูตรก็ร้องอ๋อกับตนเองถ้าตั้งสติรู้ลมจนเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิให้สติเกาะอยู่กับอิริยาบถปัจจุบันในขณะนั้นๆก็จะเป็นฐานให้เห็นผมขนเล็บฟันหนังตามตำแหน่งที่ปรากฏอยู่จริงอย่างไม่ยากลำบากนะักแนวคิดนี้สามารถยืนยันได้จากตติยปราชิกะสิกขาบท เกี่ยวกับภิกษุหลายรูปที่วานกันค่าเรื่องมีอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในป่ามหาวันครั้งหนึ่งพระองค์แสดงเทศนาธรรมสันเสริญอสุภะกรรมฐานคือข้อปฏิบัติดูกายโดยความเป็นปฏิกูลตลอดจนพนานาคุณของฌานสมาบัติอันมีอสุภะเป็นตัวตั้งจากนั้นพระองค์ท่านก็หลีเกเล้นอยู่เพียงลาพังประมาณสองอาทิตย์โดยไม่ทรงอนุ ญ, ญาตให้ผู้ใดรบกวน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 ปลงชีพตนเองบ้างวานกันปลงชีพให้บ้างเป็นจำนวนมากพอพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากที่เร้นทอดพระเนตรภิกษุบางตาลงก็ตรัสถามความจากภิกษุผู้ปกติมีหน้าที่ปริบัติรับใช้ถึงเหตุที่ภิกษุน้อยลงก็ได้รับคำตอบว่าเป็นเพราะภิกษุจำนวนหนึ่งเจริญอสุภะกรรมฐานแล้วรังเกียจกายตนเองจนทนไม่ไหวจึงสังหารตนเองด้วยความสมัรใจ พระพุทธองค์ทราบความตามนั้นจึงเรียกประชุมสงฆ์แล้วตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายสมาธิในอนาปานาสตินี้ถ้าพวกเธอทำให้มากแล้วย่อมเป็นคุณสงบประนีตเยือกเย็นอยู่เป็นสุขและยังบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นให้อันตรธานสงบไปโดยฉับพลันดุจละอองและฝุ่นที่ฟุ้งขึ้นในช่วงท้ายฤดูร้อน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 กระทั่งจิตไม่เหลืออะไรอื่นนอกจากความรู้สึกในผิวหนังซึ่งเริ่มแห้งเกรอะกรังด้วยคราบเหงือ่อคราบคลยอสุภะเริ่มออกฤทธิ์โชยเข้าจมูกเมื่อ15นาทีผ่านไปนึกออกตามพระป่าท่านพูดเลยว่าหนอ่อเมเหนนแนวเห็นเป็นอย่างไรเมื่อกำหนดอยู่นานนานผิวหนังที่ห่อหุ้มอิริยบทนั่งก็เริ่มปรากฏแปลกไปจิตอันตั้งมั่นเป็นสมาธิรับรู้ได้คมชัดขึ้นกว้างรอบขึ้น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 ความสว่างในครั้งนี้ช่วยให้เห็นล่วงเข้าไปในขอบเขตลับแลจากจักรสุปราสาสต์เหมือนเห็นกระดูกขาวๆและก้อนเนื้อแอรอัดคล้ายอุปาทานเพราะสว่างแวบวาบแล้วเลือนลงไม่คงที่ฉันก็ไม่ได้พยายามเพ่งใหม่เป็นพิเศษเพราะทราบดีว่าอาการเพ่งคือการบีบจิตให้คับแคบเปล่าประโยชน์นอกจากไม่เห็นอะไรแล้วยังเป็นทุกข์ฟรีๆอีกด้วย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 ฉันรู้สึกถึงความเพลียทางกายที่ส่งผลกระทบให้สภาพรู้สว่างโพลงแบบล้มลุกพอจะดูกายให้ชัดว่ารูปรพันธสันฐานแต่ละส่วนเป็นอย่างไรก็เหมือนกลายเป็นภาวะเลือนหายวายว่างไม่มีกำลังพอจะประคองความรู้ให้ตั้งมั่นอยู่ได้แต่อย่างน้อยชันวูบเดียวก็ทำให้รู้เห็นความแปลกแยกแตกต่างระหว่างจิตกับกายจิตในภาวะเด่นดวงเป็นอิสระจากการครอบงาทางกาย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 จิตก็เริ่มหมายรู้ในอสุภะหรือที่เรียกว่าเกิดอสุภะสัญญาขึ้นมาอีกในความรู้สึกถึงอีริยาบทเดินที่หัวกับเท้าเด่นพอกันฉันรู้สึกถึงความสกรปรกของหนังศรีรษะผ่านกลิ่นเหม็นกระทบจมูกก่อนแต่จิตเริ่มนิ่งเข้าที่ตั้งมั่นการรับรู้จากภายในก็แปลกไปตามธรรมชาติของจิตที่ปักแน่วอยู่กับอารมณ์เดียวจิตย่อมตัดการรับรู้ทางประสาท ต, ตาออกไป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 ก็เกิดความเห็นกลุ่มผมเหม็นๆนั้นน่ารังเกียจยิ่งนิมิตชัดกลิ่นยิ่งชัดหรือเมื่อจมูกได้กลิ่นชัดนิมิตก็พลอยชัดตามคล้ายอยู่ๆก็เจอกองขยะเน่าๆบนพื้นศกกระกอย่างไรอย่างนั้นธรรมดาคนเราไม่ชอบทนกับของโสโครกแต่นี่ของโสโครกอยู่บนกระบาลตนเองเหมือนคนไม่รู้ตัวยกเอาแพรสวะมาเทินหัวเดินไปเดินมาคราวนี้จะให้ทาอย่างไรล่ะ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 ก็ธรรมดาสิ่งใดเป็นของสกปรกจิตย่อมเห็นสิ่งนั้นแสดงความสกปรกชัดไม่อาจบิดเบือนเป็นอื่นไปได้ฉันกำหนดรู้ความอึดอัดระอาอันเป็นทุกขเวทนาชนิดหนึ่งย้อนกลับไปทบทวนจุดมุ่งหมายเมื่อเริ่มต้นว่าทำอะไรอย่างนี้อยู่ทำไมก็ตอบตนเองได้ว่าเพื่อความดำริออกจากกามเมื่อได้คาตอบชัดเจนกับตนเองก็กัดฟันกาหนดรู้ต่อไปอีกเมื่อกาหนดต่อ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 จากความเป็นคนป่าดงดิบพอจิตวางเฉยไม่ยินดียินร้ายนานเข้าสำนึกก็แปรไปอีกคล้ายคุ้นเคยยิ่งกับการเดินจงกรมพิจารณาความเป็นอสุภะของกายคุ้นเคยยิ่งกับการเห็นหนกนูนและปุ่มปมต่างๆที่ยึดเนื้อหนังไว้กับที่เหมือนมองผ่านกล้องสามมิติเห็นขุมขนและคราบครบนแผ่นหนังเป็นการเห็นที่อธิบายยากไม่เหมือนสายตามองออกไปเห็นวัตถุภายนอก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 พอจิตเข้าไปคลุกเคล้าเป็นอันเดียวกับความคุ้นนั้นก็เกิดความรู้สึกเหมือนจีวรพระเก่าค ล, ล่าคร่าห่มคลุมแทนชุดเสื้อกางเกงไม่ถึงกับตกใจแต่ก็ทำให้รู้สึกแปลกๆเตือนสติตนเองว่าจิตกําลังเข้มข้นเมื่อเกิดสัญญาใดปรากฏขึ้นในขณะนี้สัญญาย่อมเข้มข้นและแนวนานเป็นทวีคูณไปด้วยฉันไม่เหลือบลงต่าเพื่อดูด้วยประสาตา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 ก็พริบตาปริบๆภาพเราป่าเลือนหายไปกลับมาเป็นอัตภาพหนุ่งเมืองในเสื้อกางเกงคนเดิมถอนใจยาวเหลือบมองสภาพปัจจุบันนี่ก็แค่อีกอัตภาพหนึ่งนั่นก็แค่อีกอัตภาพหนึ่งฉันยังไม่นิ่งนานขนาดระลึกได้ถูกว่าตัวเดิมชื่อเสียงเรียงนามใดเกิดในสมัยไหนหรือกระทั่งเป็นเพียงนิมิตอุปาทานไร้แก่นสารหรือไม่แต่รู้แจ้งประการหนึ่งคือจิตสำคัญมั่นหมายอย่างไรพบ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 คือทำให้เลิกตรึกนึกทางกามธรรมชาติมีอยู่อย่างนั้นขึ้นอยู่กับจะตั้งจิตให้เกิดมุมมองเห็นอะไรและเห็นอะไรแล้วเกิดสิ่งใดตามมาแน่นอนจะไม่มีใครว่าหากเราตั้งจิตไว้เห็นแต่ผิวพันธ์อันเรียบลื่นดูประเสริฐกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆในโลกแต่เห็นตามอัตโนมัติเช่นนั้นแล้วย่อมเกิดราคะเป็นธรรมดาตรึกนึกถึงการเสพกามเป็นธรรมดาต่อเมื่อเห็นตามจริงโดยความเป็นอสุภะ ความฝ่อตัวทางราคาย่อมปรากฏขึ้นแทนช่วงสามวันนี้ฉันตั้งหน้าตั้งตาดูกายอย่างเดียวเห็นหน่อมน็นแนวเหม็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนการปฏิบัติธรรมภาวนาเต็มอัตราก็เช่นนี้เองยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมากขึ้นเพื่อความลดลงของกิเลสตัณหามานะจนกว่าจะหมดสิ้นเด็ดขาดนั่นแหละถึงไม่ต้องเพียรพยายามใดๆอีก พอเพียรกำหนดกายจนเกิดอสุภาสัญญาติดจิตเกือบตลอดฉันจึงพบว่าการไม่มีรั้วป้องกันปล่อยให้ราคารถรั่วได้ไม่ใช่ทางดำเนินอันเป็นไปในสติปัฏฐานพอเกิดอสุภาสัญญาเต็มขนาดแล้วจึงเห็นว่าที่ผ่านมาฉันมีช่องโวหว่ใหญ่ๆอันใดอยู่แต่ถ้าไม่ปฏิบัติก็จะนึกว่าช่างเถอะมีบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแค่รักษาศีลห้าก็น่าจะพอ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 แต่ถ้ามองให้ชัดว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงองค์ต่างๆของมรรคแท้ไว้อย่างไรก็คงไม่ต้องเถียงกันหากขาดดําริออกจากการมเป็นระยะเวลานา น, านเพียงพออย่างไรความตรึกนึกทางการมก็ต้องหวนกลับมาวันยังค่ำและอาจบ่อยอย่างนึกไม่ถึงเพราะเคยชินกับการขาดสติไม่รู้ตัวแนววิธีการรักษาโรคทางใจของพระพุทธเจ้าจะเหมือนแพทย์หัวก้าวหน้าในปัจจุบัน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 ซึ่งความปรากฏของนิมิตจะมีได้หลากหลายเห็นตัวเองถึงระดับไหนก็จะเห็นคนอื่นโดยความเป็นอย่างนั้นเช่นแทนการเห็นผิวหนังขาวสวยก็กลายเป็นผิวหนังที่เหะขึ้นเป็นผื่นเป็นปื้นคราบคลเหมือนคนไม่ได้อาบน้ำความรู้สึกในจิตขณะเห็นคือทุกจุดหมักหมมด้วยเชื้อโรคเรื่องนิมิตซ้อนเห็นเราเป็นปฏิกลอย่างไรเห็นคนอื่นเป็นปฏิกลอย่างนั้น จัดเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาสติปัฐานสูตรแต่ปัจจุบันเป็นที่วิพากษ์วิจารณการกว้างขวางว่าเป็นความเห็นที่ไม่ถูกไม่ตรงเหมือนภาพหลอนตรงนี้ก็ต้องย้อนกลับไปที่จุดใหญ่ใจความคือเราต้องการเห็นความจริงแบบไหนถ้าความจริงทางตาก็คือมนุษย์ถูกห่อหุ้มด้วยผิวหนังเรียบลื่นทําความสะอาดกันเช้าเย็นให้ดูดีเรียบร้อยแต่ถ้าจะเอาความจริงในกาย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 แต่ตอนนี้ตอบตัวเองได้เลยว่าเรื่องอะไรก็เรื่องเตรียมจิตให้พร้อมถึงมักรถึงผลนะสิสำ ม, มาสงกับปะยังมีเรื่องของความดําริละพยาบาทและความดําริละการเบียดเบียนจองเวนคือทาจิตให้เป็นผู้ไร้พิษภัยต่อคนและสัตว์ซึ่งฉันก็หมั่นแผ่เมตตาเสมอๆตั้งแต่เดือนที่สองพอถึงวันนี้ความดาริทั้งในทางพยาบาทและเบียดเบียน จึงเหมือนศูนย์สลายหายหนแทบไม่เหลือซากอยู่เลยจึงให้คะแนนตัวเองว่าผ่านสำหรับแง่นี้วันที่ 11-14 ถึงสสัมมาวาจาเย็นวันหนึ่งฉันอยากออกกำลังกายและสูดอากาศที่สดชื่นบ้างจึงเลือกขี่จักรยานเสือหมอบไปตามถนนหลังหมู่บ้านซึ่งสองฟากฝั่งชะอุ่มเขียวด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ขณะขี่จั ก, กรยานฉันก็ทบทวนไปด้วยว่าองค์มรรคข้อที่ว่าด้วยสัมมาวาจาของฉันเป็นอย่างไรมีไหมที่ยังพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําหยาบและพูดเพ้อเจอ้อก็ตอบตนเองว่าดูเหมือนเรื่องพูดเพ้อเจ้อยังมีบ้างเป็นครั้งคราวเวลายอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับสมาชิกในครอบครัวแต่เป็นนิสัยในการพูดเล่นแบบเก่าๆที่ยังหวงไว้เพื่อรักษาบรรยากาศเดิมๆ ม, มากกว่าจะไร้สติแบบขาดลอย ฉันมองแบบทบทวนย้อนไปในอดีตเมื่อสมัยมัธยมต้นกับปลายที่เห็นการโป้ปวดมดเท็ดเป็นเรื่องท้าทายความสามารถว่าจะทําหน้าตายหลอกชาวบ้านได้แนบเนียนขนาดไหนในช่วงนั้นจิตเหมือนติดต่อรับรู้โลกความจริงแค่เครื่องเดียวอีกเครื่องหนึ่งอุดอู้อยู่ข้างในต้องคอยระวังกลัวใครเขาจะรู้ความลับจิตแบบนั้นจะเชื่อและหลงว่าตัวเองเก่งแต่ขณะเดียวกันก็กลัวพลาด ถ้ามองออกมาเป็นลักษณะเดียวๆก็ต้องว่าเป็นจิตที่หลอกตัวเองว่าแน่แต่แท้จริงคือจุกอกด้วยอาการระแวดระวังจัดเป็นชีวิตที่อุดมทุกแบบหนึง่งแต่อากุโสรธรรมก็บังตาให้เห็นเพี้ยนเป็นสนุกหน้าตื่นเต้นไปได้คนสมัยนี้โกหกกันเป็นว่าเล่นโกหกกันจนไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องผิดถึงขั้นคิดว่าใครจับได้ก็ช่างเพราะทั้งบ้านทั้งเมืองจะผู้ใหญ่ผู้น้อยก็เป็นเหมือนๆกันไปหมด ผลกรรมอันเกิดจากการชอบพูดปดเป็นอาจินมีอะไรบ้างฉันไม่รู้แต่ถ้าดูกันตรงผลที่เกิดกับจิตอย่างเดียวฉันก็พบอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือคนโกหกทั้งที่รู้แก่ใจว่าไม่ใช่เรื่องจริงนั้นอาจทําชั่วอย่างอื่นได้ทุกอย่างจิตที่กล้าโกหกแบบหน้าตาเฉยนั้นไม่ใช่เลวแบบธรรมดาและถ้าโลกนี้เกลื่อนกล่นไปด้วยคนเลวมากคนส่วนใหญ่ก็ย่อมขาดกําลังใจทําดี แปลว่าใครมาเกิดในโลกนี้เวลานี้ต้องระวังตัวให้ดีเพราะบรรยากาศชวนให้เห็นผิดเป็นชอบนั้นมีมากอย่าว่าแต่จะเพียรภาวนายกจิตวิญญาณขึ้นให้ถึงมรรคผลนิพพานเลยอาการโกหกเก่งเป็นไฟแลบนั้นเห็นได้ด้วยจิตชัดทีเดียวว่าปฏิรูปเป็นแรงดึงดูดให้ไหลลงต่ำเหมือนมีหลุมดำซ่อนแฝงอยู่เบื้องหลังจะคิดจะทาอะไรโดนบันดูดลงต่าตลอด ชักหน้าชักตาให้เสแสร้งตลอดบางเรื่องไม่น่าต้องโกหกก็โกหกเล่นซะอย่างนั้นเองด้วยความเคยนิสัยพอเห็นเงากรรมได้ฉันก็มานั่งแปลกใจว่าแต่ก่อนทําไมไม่เห็นความจริงมันปรากฏให้รู้สึกสัมผัสอยู่ต้งต้งเรากับสามารถเห็นรูปทรงสีสันด้วยตาเปล่าอาจจะเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ถูกสอนให้เชื่อสิ่งที่ตาเห็นและหูได้ยินมากกว่าใจสัมผัส แต่ถ้าใครมีโอกาสเจอผู้คนหลายๆประเภทชนิดรู้จักหน้ารู้จักนิสัยลึกๆบางทีก็สั่งสมประสบการณ์สัมผัสทางจิตพอจำแนกคนด้วยกระแสจิตได้เหมือนกันแต่คงไม่มีคุณภาพแม่นยำแจ่มจชัดได้เท่าผู้ที่ฝึกรู้เวทนาสัญญาสังขารของตนเองอยู่ตลอดเวลาแน่นอนสำหรับการพูดจาส่อเสียดหรือด่าทอนั้นทบทวนจากตนเองในอดีต และดูเอาจากคนรอบข้างที่มีรสนิยมในการว่าร้ายเป็นนิดแล้วก็เห็นชัดคล้ายจิตพ้นไฟร้อนๆบางทีแลบออกมาพร้อมคำพูดบางทีแลบออกมาจากศรีรษะขณะกำลังตั้งใจจะพูดเลยทีเดียวจิตที่ให้ความร้อนย่อมไม่อาจนิ่งเย็นได้นานถึงแม้ภาวนาดีเพียงใดใจก็เหมือนถูกเสียสดสีด้วยอกุศลธรรมอยู่ไม่ขาดเมื่อคิดถึงคาหยาบอันเป็นวจีทุจริตอีกชนิดหนึ่ง ฉันก็เกิดความคิดชนิดจีาต ะ, ะขึ้นคือรู้แล้วว่าคำหยาบหมายถึงถ้อยคำสาปอันเผ็ดร้อนเป็นไปเพื่อความระคายโสดรากของคำเหล่านั้นส่งมาจากจิตที่มีโทสะเป็นฐานอยู่แต่เหตุใดในบางสูตรเช่นปิรินทวัตชะสูตรจึงแสดงไว้เป็นหลักฐานว่าพระอรหันยังพูดคำหยาบได้อยู่กล่าวคือมีภิกษุนามว่าปิลินทวัชะ ชอบเรียกใครต่อใครว่าไอ้ถอยไอ้ถอยจนพระในเวรุวันต้องไปทูลฟ้องพระพุทธองค์ซึ่งพระองค์ท่านก็เรียกมาสอบสวนพอพระปิลินทวัตชะยอมรับตามนั้นจริงพระสัสดาก็กำหนดดูอดีตชาติของท่านแล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าถือโทษวัชะภิกษุเลยวัชะภิกษุหาได้มุ่งประทุษร้ายไม่ขณะเรียกภิกษุทั้งหลาย ด้วยวาทะว่าไอ้ถอยวัชภิกษุเกิดในสกุลพราหมห้า้อยชาติไม่ขาดสายก็แต่ว่าที่เรียกใครๆเป็นไอ้ถอยนั้นวัชภิกษุประพฤติมานานและด้วยความเคยชินนั้นจึงมาประพฤติอีกในการนี้สรุปคือคำหยาบอย่างไรก็สะเทือนโสดผู้ฟังไม่ทําให้รู้สึกดีไม่ทําให้รู้สึกเลื่อมใสไม่ทาให้รู้สึกเชื่อว่าจะใช่หรือ แม้แต่ใกล้เคียงความเป็นอริยะแถมองค์หนึ่งของมัคยังต้องการสัมมาวาจาระอีกแต่พระอรหันต์บางองค์ท่านยังติดวาสนาหรือนิสัยทางคำพูดไปในทางลบได้อยู่นี่นับเป็นเรื่องน่าฉงนขณะนั้นเองพระเอิญชั้นปั่นจักรยานมาถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างก่อสร้างเสริมเติมอาคารเบื้องหน้ามีคนงานก่อสร้างชายหญิงค่อนข้างมีอายุห้าคน กำลังดุมเดินจะกลับบ้านกลับช่องทั้งหมดคุยกันเสียงโขลมในอารมณ์ผ่อนคลายเมื่อฉันจะขี่จั ก, กรยานผ่ากลางพวกเขาซึ่งเดินอยู่เกือบเต็มถนนก็กำหนดจิตให้ยางจั ก, กรยานบดกรวดหินบริเวณนั้นด้วยกระแสสะเทือนแบบจงใจให้เข้าหูพวกคนงานจะได้รู้สึกตัวและหลีกทางกันเพราะฉันกาลังขี้เกียจ ร, ร้องบอกขอทางด้วยปากอาจจะด้วยความขี้ตื่น หรืออาจจะเพราะกระแสจิตชั้นแรงไปหน่อยเลยมีผู้ชายคนหนึ่งที่ยินเสียงยางบทถนนดังกแกรบกราบไล่หลังมาเกิดความตระนกตกใจขวัญบินดูแล้วเขาคงนึกว่าเป็นรถใหญ่หรือมอเตอร์ไซค์ที่ควบมาอย่างบ้าเลือดจะเข้าชนหลังเลยตาเหลือกกลางปีกเอียงเทเร่หลบเข้าข้างทางพร้อมกับตะโกนเสียงดังเป็นของลับเพศ ช, ชายที่อยู่ในสภาพยับเยินขณะเดียวกัน พักพวกที่มาด้วยกันก็พลอยแตกตื่นควันหนีตามเพราะนึกว่าคนแรกรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงกระเจิงไปในทิศ ต, ตรงข้ามพร้อมอุทานดังๆคล้ายของลับเพศหญิงตกหล่นที่หนองน้ำแถวนั้นเรียกว่ากางปีกหลบไปคนละทางสองทางด้วยอุปาทานพาไปกลายเป็นภาพน่าขบขันที่ฉันอดกัดปากคำไม่ได้และอึดใจต่อมาก็ได้ยินเสียงพวกเขาหัวเราะไล่หลัง คือเมื่อเห็นเสือหมอบของฉันผ่าวงไปก็โล่งอกที่ไม่ใช่รถใหญ่ดังอุปาทานฉันไม่ได้หันหลังมาขออโหสิที่ทำให้ตกใจโดยไม่เจตนาแค่เดาถูกว่าบรรดาคนงานจะคุยแก้เกอ้อกันท่าไหนลงเอ่ยทุกฝ่ายเห็นเป็นเรื่องบังเอิญที่น่าขบขันกันหมดฉันยิ้มรื่นได้เห็นชัดว่าภาษาจิตเป็นอย่างไรจำแนกจิตวิ ญ, ญญาณออกเป็นชาติชั้นวั น, นะต่างๆอย่างไร ขณะที่พวกคนงานอุทานเป็นภาษาหยาบนั้นฉันไม่รู้สึกถึงความร้อนแรงไม่รู้สึกถึงจิตที่หยาบกระด้างไม่รู้สึกถึงเจตนามุ่งร้ายแฝงฝังอยู่ในคาพูดเลยแม้แต่น้อยพวกเขาไม่ได้ตั้งใจพูดคำหยาบแต่แค่อุทานออกมาจากพื้นจิตพื้นใจระดับนั้นของเขาการอุทานเป็นคำหยาบกับการด่าดทอด้วยเจตนาใช้คาพูดหยาบๆบนั้นให้โทษกับจิตต่างกัน คนบางกลุ่มอุทานเป็นคำหยาบได้เพราะมีพฤติกรรมสั่งสมจนเป็นนิสัยและโลงเป็นอัตโนมัติหาใช่เพราะขณะนั้นมีจิตมุ่งร้ายใครดังเช่นที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในปิรินทวัตชสูตรเป็นใจความสำคัญว่าวัชภิกษุหาได้มุ่งประทุษร้ายไม่ขณะเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยวาทะว่าไอถอยเมื่อปราศจากเจตนาประทุษร้ายจิตผู้พูดย่อมไม่ถูกปรุงเป็นสภาพหยาบ แต่คนในโลกย่อมไม่อาจทราบวารจิตของกันและกันเมื่อได้ยินใครพูดคำหยาบจิตย่อมรู้สึกไปว่าบุคคลผู้นั้นมีจิตหยาบและพลอยปรุงแต่งให้จิตคนฟังหยาบตามดังกล่าวแล้วว่ารากของคำหยาบคือโทสะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเกิดในชาติตระกูลที่ไม่จำเป็นต้องสั่งสมนิสยัยปลดปล่อยคำหยาบให้พร่างพูก็สมควรฝึกตนให้พูดเฉพาะคาเยี่ยงสุภาพชนเพราะจิตที่คิดพูดหยาบส่วนใหญ่ มีลักษณะเหมือนเอาค้อนทุบหูหรือเอาหอกทิ่มแทงใจคนฟังเรียกว่าสร้างแนวโน้มก่อเวรก่อความเบียดเบียนขึ้นในตนถึงอย่างไรก็เป็นกำดาที่ทำให้จิตนิ่งเย็นได้ยากไม่สอดคล้องกันกันกบทางมรรคทางผลแต่อย่างใดสรุปคือช่วงสามวันนี้สำรวจตัวเองพบว่าจะมีใครพูดอย่างไรสถานการณ์ใดเข้ากระทบหนักเบาหรือกระทั่งยั่วยุให้ก่อวจีทุจิตปานใด ก็ไม่มีดำริคิดพูดในทางร้ายจากฉันเลยรวมทั้งการพูดเล่นเพอ้อเจอ้อเล็กเล็กน้อยๆอยด้วยทั้งนี้ด้วยความปรารถนาเดียวคือทำองค์มรรคให้บริบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้วันที่15ถึง17สัมมากรรมตตะการถือศีลห้าให้บริสุทธิ์นับว่าครอบคลุมทั้งองค์คือสัมมาวาจาข้างต้นรวมทั้งสัมมากรมตตะในข้อนี้ด้วยแล้ว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 จะกล่าวไปใหญ่ถึงความมุ่งร้ายคิดฆ่าแกงสัตว์ที่ใหญ่ขึ้นมาสำรวจอีกก็พบว่าแม้แต่สมบัติของตนยังอยากแจกจ่ายให้เป็นสาธารณกุศลขอเหลือเพียงผ้าพันห่อกายกันอุจาร์จะกล่าวไปใหญ่ถึงความโลภคิดเลงเอาของผู้อื่นมาเป็นสมบัติตนสำรวจอีกก็พบว่าแม้แต่ตรึกนึกทางการมให้เกิดปฏิกริยาให้ราคาล้วรสกายใจ ฉันก็ปัดตกไปด้วยอสุภสัญญาอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้จะกล่าวไปใยถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดอาการหน้ามืดเอาเมียใครมาทำชู้อย่างไรก็ตามช่วงแห่งการสำรวจตนในความบริบูรณ์แห่งสัมมากัมมันตะทำให้ฉันเกิดความรู้สึกสะอาดโล่งโปร่งสบายเป็นพิเศษจึงเห็นค่าของการสำรวจศีลประการหนึ่งคือเมื่อพบว่าตนบริสุทธิ์เมื่อใดเมื่อนั้น ย่อมเกิดความอาจหาในธรรมมีความมั่นคงมีความนับถือตนเองมีความเชื่อว่าสามารถไต่ลำดับไปหาคุณธรรมที่สูงส่งยิ่งยิ่งขึ้นทั้งนี้ในฐานะของผู้เจริญสติปัฏฐานย่อมไม่ลุ่มหลงมัวเมาในนิมิตหมายภาวะสูงส่งที่บังเกิดขึ้นด้วยหลายคนติดอยู่กับความรู้สึกว่าตนสูงส่งโดยไม่รู้สึกตัวนั่นก็กลายเป็นฐานที่ตั้งอุปาทานแห่งใหม่ไป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 จึงมีความสบายอกสบายใจเชื่อมั่นหนักแน่นในความสามารถเลี้ยงตัวได้ตลอดรอดฝังแบบผู้ใหญ่เต็มตัวไม่กังวลเรื่องปากท้องทั้งในปัจจุบันและอนาคตดวงจิตจึงปฏิบัติภาวนาโดยปราศจากความห่วงสวัสดิภาพและความมั่นคงในเส้นทางชีวิตที่กำลังดำเนินอยู่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เกี่ยวกับอักขรณิยวณิชา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 ถ้าสัญญาไม่เข้มข้นขึ้นด้วยการดำเนินซ้ำๆก็มีแต่จะเสื่อมถอยลงแบบเชื่อขนมกินได้วันที่ 26-28 ถึงสัมมาสติสัมมาสติโดยย่นย่อคือเห็นกายเวทนาจิตและธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดความอยากได้อยากมีและความโทมนัสในโลกเสได้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 ในฐานะองค์สุดท้ายของมักนั้นมุ่งหมายถึงฌานสมาบัติโดยตรงทางฝ่ายนักศึกษาภาคทฤษฎีมักมีความเห็นเป็นสุดโต่งสองขั้วคือฝ่ายหนึ่งกล่าวว่าสัมมาสมาธิเป็นแค่ความตั้งมั่นชั่วขณะเดียวที่เห็นกายใจชัดก็เพียงพอแก่การจุดชนวนมักผลได้ไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิให้นิ่งนานแต่อย่างใดส่วนอีกฝ่ายก็กล่าวว่า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 แล้วก็เป็นภาวะจิตแช่แข็งชั่วขณะแบบเครื่องเครื่องจะตกภวังขาวไม่รับรู้ลมหายใจที่แผ่วอ่อนหรือแม้บางคนตกภวังมืดคือเหมือนหลับยาวในความไม่รู้อะไรเลยก็ยังสำคัญว่านั่นเป็นฌานสี่ก็มีผู้ภาวนาจนมีสติเห็นกายใจเป็นอัตโนมัติบ่อยๆย่อมเข้าใจดีว่าเรามีสมาธิหรือความตั้งมั่นของจิตไปเพื่อความสงบระงับจากอาการตรึกนึกทางกาม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 ใครทำได้เพียงบางส่วนก็ยอมให้สำเร็จบางส่วนแต่ใครทำให้บริบูรณ์ก็ยอมให้สำเร็จได้บริบูรณ์ในแง่ของสัมมาสมาธิหรือสมาธิในอุดมคติอย่างสมบูรณ์นั้นมีความสำคัญในแง่เอื้อให้พร้อมประจักรู้เต็มดวงคือมีกำลังส่งให้ถึงมรรคถึงผลโดยไม่ลำบากต้องเสียเวลารวมกำลังนักเนื่องจากขณะแห่งการบรรลุธรรม จิตจะเป็นฌานเพียงแต่เป็นฌานที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ไม่เหมือนฌานธรรมดาที่อาจมีลมหายใจหรือวัตถูอารมณ์อื่นๆเป็นเป้าจับแต่อย่างไรก็ตามหากจิตของผู้ภาวนามีปกติตั้งมั่นมีความผ่องใสสบายมีความโน้มเอียงที่จะตั้งมั่นระดับฌานเมื่อได้เหตุปัจจัยประชุมพร้อมก็ควรจะนับเป็นน้องนองสัมมาสมาธิได้ เข้าข่ายเป็นผู้สามารถทำพอประมาณในสมาธิตามระดับภูมิของพระโสดาบันตรงข้ามหากฤาษีชีพไรที่ไหนทำสมาธิได้อุกฤษอาจจะเกินฌานสี่ล่วงถึงอรูปฌานอันเป็นฌานไม่อศัยรูปเป็นอารมณ์ก็ไม่มีสิทธิ์บรรลุธรรมแม้ถึงชั้นแห่งความเป็นโสดาบันบุคคลเลยเพราะองค์มรคเพื่อการบรรลุธรรมไม่ประกอบพร้อมเป็นคุณสมบัติของจิตคือขาดสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสติเป็นสำคัญสรุปสิ่งที่ได้จากเดือนที่6 1. แน่ใจว่า6เดือนที่ผ่านมานี้ไม่ได้ปล่อยชีวิตให้ล่วงไปเพื่อความเปล่าประโยชน์ไร้แก่นสารเหมือนอย่างในอดีตตั้งแต่เกิดจนถึงปีกลาย 2. มองย้อนกลับไปเห็นช่วงปีก่อนๆที่สำคัญว่าปฏิบัติแค่สมาธิกับสติก็บรรลุทำได้ยังหมกมุ่นในกามเท่าเดิม ยังเห็นแกนตัวเท่าเดิมยังอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเหมือนเดิมกับทั้งหาอุบายลัดๆให้เกิดมากเกิดผลล้วนแล้วแต่เป็นความเลงโลภอย่างปราศจากเหตุผลสมควรเยี่ยงปุถุชนผู้ไม่รู้จริงทั้งสิน้น 3. ม, มีความอุ่นใจบังเกิดความเชื่อมั่นในความพรักพร้อมบนเส้นทางเดียวที่มุ่งตรงสู่นิพพานสายนี้